พระธรรมเทศนาลำดับที่เจ็ดโดยหลวงพ่ออินทวายสัมตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าดูแลกายใจให้พอดีวันนี้เป็นวันที่สิบสองพฤศจิกายนพุทธศักราช2554หวันนี้เป็นวันเสาร์ในวันคืนเดือนปีก็หมุนเวียนเปลี่ยน มันเป็นระยะระยะนี่คือวันคืนเดือนปีแต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ต, ตรงที่ว่าถึงวันคืนเดือนปีผ่านไปแต่ไม่ใช่ผ่านไปแต่วันคืนเดือนปีชีวิตของพวกเราก็ผ่านไปด้วยปีนี้ก็แก่กว่าปีที่แล้ว และครัปีต่อไปก็แก่ไปเรื่อยเรื่อยื่อว่าแก่ลากถูไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยแต่พวกเราไม่ได้คิดไม่ได้ศึกษาในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะมันเป็นมาอย่างนี้คนโบ ร, โบราณพ่อแม่ก็เป็นไปอย่างนี้แต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธท่านให้เคิดนะ ให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดแล้วคิดแล้วจะทำยังไงถ้าคิดแล้วก็อย่าไปชราใจจนเกินไปอย่าไปนอนใจจนเกินไปอย่าไปถือว่าสิ่งภายนอกจำเป็นสาคัญจนเกินไปควรแ ส, สวงหาที่พึ่งแ ส, สวงหาที่พึ่งทั้ ง, งด้านจิตใจแต่ทางนอกเราก็ไม่ไม่ให้ปล่อยประละเลยในหลักของพุทธศาสนา ท่านก็ให้ทั้งข้างนอกด้วยทั้งข้างในด้วยทางนอกก็จะให้ขาดตกบกพร่องแต่ข้างในก็จะปล่อยปะละเลยจนเกินไปแต่พวกเราท่านทางหลายโดยมากมันมีแต่ขมักขม่นแต่ทางนอกแต่ส่วนทางบุญกุศลระนามธรร ม, มหรือทางด้านจิตใจเนี่ยพวกเราเนี่ยชราใจมากใครๆผมไม่ให้ความสนใจใช่เลยพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิด โดยมากโดยมากแต่บางท่านบางคนก็ยังมีอยู่แต่ให้ความสนใจแต่เรื่องภายนอกมากกว่าสรุปแล้วก็คือให้อาหารทางกายมากกว่าให้อาหารทางใจมีแตะ่ ส, ะสวงหาปัจจัยสี่วิ่งเต้ น, นขนคหวยจะทำยังไงชีวิตของเราจะอยู่ในโลกเนี่ยด้วยความร่มเย็นผ้าสุกมีหน้ามีตามีเกียรติมียศ มีสักมีสีในชุมชนสังคมเรามีแต่สะแสวงหาอย่างนี้แต่ส่วนด้านจิตใจนั้นไม่มีใครขนขวายและไม่มีใครให้ความสนใจบางคนก็เอาออกไปสุดตรง้าไม่ได้อย่างใจวัตถุภายนอกจะเอาอย่างไงก็ได้จะฆ่าจะปนจะคดจะโกงจะอะไรก็ได้เพื่อให้ได้ทางด้านวัตถุภายนอก อันนี้ใครเข้าว่าเราทุ่มเทออกสู่ทางภายนอกเสียมากกว่านี่แหละหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเตือนพวกเราว่าอย่าอย่าทุ่มเททางนอกจนเกินไปทางนอกก็ใช่แต่ให้ขาดตกบกพร่องในการการทำมาหาเลี้ยงชีพให้อุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันรกคะสัมปทาให้รักษาทรัพย์สมบัติ ที่แสวงหามาด้วยความยากลำบากหยดถามบรรดาศักดิ์ที่ได้มาด้วยความยากลำบากหน้าที่การงานหามาด้วยความยากลำบากให้รักษ า, ารษาคะสัมปทากริยานามิตรให้คบเพื่อนเพื่อนฝูงให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมพอสมควรอย่าไปคบคนเลวอย่าไปคบคนชั่วอย่าไปคบคนที่ไม่ดีจะไปคบภาราชนอนนี้ให้เลือก เมื่ออยู่ใกล้กันแล้วก็เราจะมองดูเราก็พอจะรู้ว่าอันไหนคือบัณฑิตอันไหนคือภารชนอันนี้เรียกว่าบุคคลที่กัญยาณมิตตาสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเลี้ยงชีวิตของเราอย่าไปคดไปโกงไปป้นไปจี้ไปเบียดไปบังไปทำในสิ่งที่ไม่ดีมาเลี้ยงชีวิตเราอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนคือชีวิต อย่าให้ขาดตกบกพร่องในการทํามาหาเลี้ยงชีพอันนี้ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไม่ให้ไม่ให้สรุปแล้วคือไม่ไม่ให้งอมืองอเท้าไม่ให้อยู่แบบเฉยเฉยแบบเกิดมาแล้วก็ตายจะไปปิ่งเต้นควนงวหวทาไมพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้บอกบอกอย่างนั้นแต่ทางโลกก็อยาอย่าให้ขาดตกบกพร่องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ก็อย่าไปคิด แต่ทางโลกอย่างเดียวให้คิดทางนามธรรมาด้วยนะแต่พวกเรามันคิดแต่เรื่องทางโลกจะมากกว่าอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ว่าร่างกายของเราคนเราทุกคนเนี่ยถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนอาหารดีขนาดไหนยาแก้โรคภัยไข้เจ็บสันหายทั่วโลกมารักษาดีขนาดไหนผ้านุ่งห่มราคาแพงขนาดไหนที่อยู่อาศัยหรูหราโออาขนาดไหน ให้ร่างกายอยู่ร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเลี้ยงไม่เชื่องพวกเราจะเลี้ยงเขาดูเถอะปีนี้ก็แก่กว่าปีที่แล้วปีต่อไปก็แก่จึงจะหามาถถมเข้าไปทุ่มเทงเงินคำทรัพย์สมบัติขนาดไหนจึจะไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายนะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นให้ดูดูพอประมาณ เรียงร่างกายก็ให้ดูพอประมาณอย่าไปทุกข์กับร่างกายจนเกินไปถึงขาวมันจะไปแล้วมันล้งางไม่อยู่ถึงจะแก่เจ็บถึงจะเจ็บถึงจะเป็นโรคมะเร็งโรคอะไรก็ตามรักษาอะไรมันก็ไม่หายบางครั้งเราต้องทำใจอันนี้คือร่างกายแต่ส่วนจิตใจคือนามธรรมจุดนั้นน่ะหลักของพุทธศาสนาท่านให้เน้นหนักให้ส่งเสริม ให้บำรุงให้รักษาให้รู้จักวิธีการแนะนวให้ไปในทางที่ถูกต้องแนะนำยังไงกันเนี่ยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษา เ, เป็นเวลาหกปีที่หลวงพ่อยกขึ้นมาอ่างแล้วอิงอีกพระพุทธเจ้าไปศึกษาเรื่องอะไรเรื่องของใจพอท่านไปศึกษาเรื่องของใจท่านก่อนนะ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านะพวกเราเนี่ยแต่พวกเรากายกายเป็นใหญ่กายเป็นหัวหน้าเพราะเรามองเห็นแต่หลักธรคมคำสอนของพระพุทธเจ้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าแต่พวกเราพอพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าใจเยนเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าพวกเราก็งงอีกเหมือนกันเนี่ยพระพุทธเจ้าเอาคำไหนมาพูดแต่พวกเราคิดได้แต่ว่าสมองสมองอยู่ที่หัวของเราเป็นหัวหัวคิด ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งนักการแพทย์เขาก็บอกว่าสมองเป็นผู้คิดคือวิทยาศาสตร์ก็ดีนักการแพทย์ก็ดีวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ดีเขาคิดมาถึงแต่สมองเท่านั้นเขาไม่ได้คิดถึงคนที่ใช้สมองตัวหนึ่งคือเซนต์หนึ่งที่มาใช้สมองนั่นอ่ตัวไหนที่มาใช้สมองตัวนั้นตัวนั้นเขาควนค้นคว้าไม่ถึงเพราะมันเป็นนามธรรมา เป็นสิ่งที่ลึกลับเป็นที่มองไปเห็นด้วยตาเนื้อแต่สมองเห็นเอาขึ้นสมองเข้ามาจับเห็นขึ้นสมองมันแฟฝงวิ่งมันเต้นยังไงในขึ้นที่เขาจับดูแต่ว่าตัวนามธรรมตัวนั้นะไม่มีใครเห็นรพระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านรู้ท่านเหนือไปกว่าศาสตร์ทุกวันนี้รพระพุทธองค์ท่านวันนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบทําตัวนึกคิดเนะี่ยที่ปุ่งฟงนะุงซ่านให้มันหนึง่งเพราะนั้นอย่างวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้นักการแพทย์บางทีเขาเอาครูบาอาจารย์พงพ่อก็ได้ยินเขาที่มลหลวงปู่ชอบเขาไปตรวจสุขภาพพอไปตรวจแล้วเขาเขาบอกคอับที่มลหลวงปู่เข้าสมาธิด้วยซครับผมให้นูกเข้าสมาธิจะได้ตรวจ ลงปูดป๊บเข้าสมาธิเลยเส้นสมองที่มันเป็นภูเขาก็โดโดโกรดเต้นเลยเฮเป็นจกเป็นห ย, ย, ย, ยักไปยักไปหยักไปเฮ้ยนิ่งลงนิ่งลงนิ่ลงนิ่งสายตรงเลยคือท่านไม่ได้สั่งสมองให้ใช้ให้ใช้สมองคนในยุคสมัยนั้นเขาก็เชื่อในครูบาอาจารย์ที่ท่านทําสมาธิท่านไม่ให้ใจท่านคิด ออกไปข้างนอกนะอันนี้ก็คือผู้ที่มาใช้สมองนะครับคือตัวหนึ่งคือนามธรรมถ้าเราจะเปรียบเทียบกับรถเนี่ยรถสมัยยุคปัจจุบันหนะึ่งรถรถยุดรุ่นใหม่เนะี่ยเขามีสมองกลอยู่ในหัวของมันแต่รถราคาถูกมันก็มีสมองเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนสมองรถราคาแพงนะถ้าคดราคาแพงๆนะเขาจะเอาสมองกลใส่ตรงนั้นมันจะรู้ทั้งหมด ไฟตาซ้ายตาขวาตาลีน้ำหมูกน้ำมันลอ้อเท้าเออมันจะวิ่งได้ก่งได้ไกลขนาดไหนมันจะบอกได้ในในตัวของมันเบรกซ้ายเบรกขวามากน้อยขนาดไหนอะไรมันจะบอกหมด <c oughs> สมองกนของขอ ง, ของรถขนนั <c> ้น <oughs> อันนี้เปลว่ารถขนานเกือ <c oughs> บจะเท่าคนเแต่คนมันเหนือกว่าใช่ไหมแต่ก่อนที่รถข น, น้น มันจะบอกขึ้นมาได้เพราะอะไรคนเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปเสร็จแล้วคนขึ้นไปสตาร์ทเครื่องพอสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเครื่องมันก็บอกสมองคนมันก็บอกไบอกให้คนรู้นสรุปแล้วรถคันนั้นก็ต้องอาศัยคนเหมือนกันไอ้นคนนี่แหละไอ้นคนที่ไปนั่งรถเนี่ยคนที่ไปสตาร์ทเครื่องเนี่ยแหละหลักของพุทธศาสนาท้งวัตใจมโนหรือผู้รู้หรือวิญญาณที่ไปใช้ตัวนั้นแต่อันเดียวกันนะ ใช้เรียกคนที่สับกันท่นเองมโนก็ดีใจก็ดีผู้รู้ก็ดีจิตวิญญาณก็ดีคืออันเดียวกันเพียงแต่ว่าเราใช้ศัพบเท่านั้นเองอันไหนมันมั น, ม, นมันจะบอกสำหรับผู้ที่ศึกษาะแต่ที่แท้ก็คืออันเดียวกันแต่หลักของพุทธศาสนาบอกมโนปุพังขา ม, มาธรรมามโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจไนงะใจคืออนะคือโซเฟอร์นะนะแต่พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญโซเฟอร์เนะี่ยตัวการนะพวกเราท่านทั้งหลายเรื่องร่างกายก็คือรถเรื่องจิตใจก็คือโซเฟอร์โ ซ, โซเฟอร์เนะี่ยสมควรจะได้รับการอบรมเท่นะี่พระพุทธเจ้าไปอบรมโซเฟอร์อยู่ที่โครนต้นโพนะ พุทธิแรกพระองค์ก็ทรมานเรื่องกายเชยก่อนอดปัคยาอาหารบังทำอะไรพิอะไรมากมายที่พวกเราได้ศึกษาในพุทธประวัติแต่ผลที่สุดลงท้ายก็คือท่านดูใจของท่านนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำดลมหายใจเข้ารว่าหายใจเข้าหายใจออกรั่วหายใจออกเนี่ย ร่อง น, นั้นคือกำปัานของพระพุทธเจา้าในเมื่อพระพุทองค์ดูที่ลมหายใจใจหรือพระภัยหรือว่าตัวผู้รู้หรือมโ น, โนของท่าน่ะคือใจน่ยรวมสงบพอรวมสงบนิ่งท่านก็รู้ได้ตัวนี้เป็นตัวการใหญ่เป็นตัวการใหญ่เป็นผู้บงการในร่างกายของเราตัวเนี้จะต้องได้รับการอบรมมันมีอะไรอยู่ที่นี่อยู่ในตัวนี้ท่านว่ามันมีเชื้อคือกิเลส ถ้าว่ามีความราคาขึ้นมามันปล่อยออกไปกระแสจใจเรียว่าผู้รู้ที่ปล่อยออกไปมันจะเยิ่มออถ้ารักสวยรักงามออยิ้มแย้ ม, ยมแจม่มใสอันนี้คือตัวราคานะพอโตโรสะเข้ามามันขุ่นขึ้นมาโมโหโกธาขึ้นมาในใจไม่พอใจขึ้นมาอันนี้เออโตโทษะพอเห็นอะไรมีแต่โลภมนะีแต่อยากได้อันนี้แ่ะโตโลภะตัวหนึ่งมั น, มนตัวหนึ่งมันหลง หลงคิดว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตัวเองว่าจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลาอันนั้นก็ของข้าอันนี้ก็ของข้าสามีภรรยาลูกหลานของข้าทรัพย์สมบัติของข้ายศถาบรรดาศาักดิ์ของข้าร่างกายสังขารเนี่ยเป็นของข้าข้าในต้องเป็นใหญ่อันนี้คือความหลงความหลงในร่างกายความหลงในการเป็นอยู่อันนี้คือจัดว่าเป็นความหลงแต่นี้ประมวลลงมาแล้วความหลงตัวนี้มันหลงอะไรเป็นเป็นหลัก พระพุทธเจา้าท่านค้นคว้าศึกษาดูหลงกายเหลงกายเป็นหลักเพราะนั้นท่านจึงให้กรรมาฐานห้าแก่พระบวชใหม่เลยเกษาผมโลมากนนาขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังให้ขี้คลายดูนะกรรมาฐานห้าเนี่ยอันนี้วันนี้บวชใหม่ให้เท่านี้ก่อนต่อไปจะให้มากกว่านี้อให้มากกว่านี้ก็คือมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเข่า อาการสามสิบสองเน้นเข้าไปอีกพอเน้นเข้าไปแล้วให้คล่คลายดูยอีกทนนี่เออเอาผมมากองไว้เอาขนขนมากองไว้เล็บปอกองไว้ฟันถอดก็ฟันกองไว้หนังถลกกองไว้เนื้อชํำแหลกกองไว้กระดูกกองไว้ตับกองไว้ปอดกองไว้แต่และกองดูสิอันไหนคือเราผมเป็นเราใช่ไหมขนเป็นเราใช่ไหมร่างกายของเราใช่เราใช่ไหมไม่ใช่ ถ้าใจขึ้นมาบอกอืมไม่ใช่ในเมื่อไม่ใช่เราแล้วเอจะเป็นของเราได้ยังไงเมื่อเมื่อปฏิเสธกายของเราแล้วส่วนอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับเราจะเป็นของเราได้ไหมขหนาดร่างกายยังไม่ใช่เราร่างกายยังเป็นของอย่างนี้อยู่แล้วแม้เป็นของสภาพดินน้ําลมไฟแล้วสิ่งที่มาเนื้อเกี่ยวเนื่องกับกายจะเป็นของเราได้หรือใช่ไหมใจในี่แหละถามขอมาหาตัวผู้รู้คือใจแล้วนะเด็นี่ อตัวผู้รู้คือนายใหญ่คือคือมโนปุพังเนี่ยที่ว่าดนี่แหละสรุปแล้วก็คือใจไปหลงคนอื่นใจไปหลงกายพอหลงกายแล้วหลงคนอื่นไปหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่าน น, นให้ย้อนมหาใจเรื่องภาวนาหรือเรื่องปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงขอให้พวกเราเอคณะสัตยาติษมลูกหลานทุกคนนะเรื่องภาวนาเนี่ยมันเรื่องของใจทั้งนั้นตีชะชําระใจ จะทํายังไงจึงจะใจจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้ให้ชําระใจถ้าชําระใจทุกสิ่งทุกอย่างจบหมดเรื่องภายนอกทางหลายท้งปวงเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงการเระวิวัดเอข้าเข้เขาใจกันไม่เข้าใจกันเรื่องวัตะสงสารทั้งหลายท้งปวงเนีมันอยู่ที่ใจทั้งหมดพอชําระตัวนี้ออกจบแล้วนั่นะมันไม่มีอะไรันเลยต่างคนก็ต่างอยู่ มันโลกวะตะสงสารมันเป็นอยู่อย่างนี้นะแ ต, แต่เรายังไม่เกิดมนะันเออเรามาเกิดในยุคนี้สมัยนี้ว่ามันก็เป็นขนาดนี้แต่ก่อนหน้านั้นยิ่งกว่านี้อีกเออความไม่พอใจหรือความทะเลาะเบาแวงกันเอพวกเรานึกอตัวซิยกดาบยกหอกยกดาบไล่ฟันกันอยู่ทุ่งกรุงศรีอยุธยากรุงแถวสุพรรณบุรีแถวนั้นนะ่พะพม่า ก, กับไทยในสมัยนั้นขนาดไหน ทุกวันนี่ก็ยังสงบมีแต่ทะเลาะว่าะแวงกันธรรมดาทิฏฐิมานะคือความเห็นไม่ลงกันเป็นธรรมดาอาเถ้าเกิดมาในโลกนี่มันต้องเป็นอย่างนี้แหละพอพระพุทธเจ้าท่านเบื่อพอแรงนะท่านจึงหนีจากโลกขนาดพระเทวทัตบวชให้แท้ๆยังจะมาจองร่างจองผัน จะฆ่าพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่ครั้งจ้างนายขมังธนูมาป่อยช้างนงาฬิกีลงมาเกิ่งขึ้นไปบนภูเขาเก่งนงไปภูหินเก่งก้อนหินลงมาจะทับพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้าบวชให้แท้ๆเลยยังมีไอ้พวกเราก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นเอาเถอะพระพุทธเจ้าท่านเบื่อโลกนะท่านถึงไปนิพพานลงตาปหาบัวท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าคนนั้นก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเบื่อหมู เห็ดหมูเห็ดหมูบางคนก็ว่าท่านฉันหมูหมูเนื้ออ่อนหมูยังเกิดใหม่ยังเนื้ออ่อนแล้วก็มีเชื้อโรคพระองค์พระพุทธองค์ฉันแล้วก็ก็เลยนิพพานในวันนั้นน่ะจุกรมัทวะบางคนก็เห็ดของหมูลวงตามหาบัวสมัยท่านก่อนว่าเราดูแลนั้นพระพุทธเจ้าเบื่อหมู ไม่ใช่เบื่อหมูหมูใส่แม่เอกเข้าไปอีกตัวหนึ่งเบื่อหมูพระพุทธเจ้าเบื่อหมูก็เลยเข้าสู่นิพพานเนี่ยทั้งที่แนะนําสั่งสอนให้เป็นคนดีกลับมาเป็นอริเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าอีกท่านเบื่อหมูท่านจึงหนีเข้าสู่นิพพานลงตามหาปัวทันวานเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวของจิดเหมือนกันนะเนี่ยหลวงพ่อว่านี่ยครูบาอาจารย์ท่าน ตรงตาท่านให้แนวความคิดนะเอหมู่บางบางทีก็อืมเข้าใจกันได้ดีก็เป็นหมู่เป็นคณะกันก็เป็นกัญยาณมิตรที่ดีแต่ถ้าว่ามันไม่เป็นกัญญาณมิตรที่ดีก็เป็นอริเป็นศัตรูกันได้ง่ายดูนู่นดูอังกฤษอเมริกาเนะี่ยมันไม่รู้จักเการา อ, อยู่ต่างถิ่นต่างแดนไอ้ผู้อยู่ใกล้ใก้กันนี่แหละเอลิ้นกับฟันนะี่ะเหมันเป็นอริศัตรูกันเพราะนั้นถึงยังไงก็เถอะนะ กลิ่นกับฝันถึงมันกัดกันยังไงมันก็อยู่ด้วยกันอย่างนั้นนะ่ะก็ต้องให้อาภัยกันให้ทํายังไงได้มันอยู่ใกล้กันนะอแต่ถึงยังไงก็ต้องระ ม, มัดระวังในการเป็นอยู่ของพวกเรา ท, ทุกทุกทนะ่านอยู่ในโลกวัตฏะสงสารนะมันมีอยู่อย่างนี้แหละไปนิพพานนะมันจบๆไปจะอย่ามาเกิดอีกนั่นนะดีที่สุดนะ่ะจะทํายังไจงจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสให้ดูใจนะ่ะโหนโมโนปุพังขามาธรรมานะดูมโนตัวนั้นนะ่ะดูใจท่านนะั้นน่ะ ใจตอนนั้นมันมีเชื้ออยู่ถ้าจำาระเชื้อออกจากใจกิเลสราคะโทสะโมหะรู้แจ้งเหตุจริงนะมันจะออกเป็นมิติหนึ่ ง, งออกจากามันจะกระโดดออกจากโลกวัะสงสารเหมือนกับญานอวากาศนะมันกระโดดออกไปโลกไม่ดึงดูดมันเป็นเ อ, เอกภาพของมันแต่ว่าญาณอวากาศมันก็ยังหมุนกับมาหาโลกอีกนะแต่พระอรหันเนี่ยไม่แห้ว เข้าสู่นิพพานจบไปเลยพระอนาคามีก็ขึ้นไปอยู่ชั้นสุดทวารห้าชั้นอวิหาอัตปาทุศสาะทุศยาตนิฐาไม่กลับมาเกิดเดียบโลกมนุษย์นี้อีกอย่างหลวงตามหาบัวท่านว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกแล้วท่านประกาศได้ท่านรู้ได้ด้วยใจขององค์ท่านเอง นั่นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเดินตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานะี่ยนะอย่ามายุ่งกันเถอะในโลกนะมันมีแต่เรื่องทุกข์นะมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องโศกเอมีแต่เรื่องอะไรต่อไม่อะไรพอใจไม่พอใจพอใจกับยิ้มแย้มแจ่ ม, มใสหัวเราะทั้งวันเอถ้าไม่พอใจกับหน้าบูดหน้าบึง้งร้องหม่มร้องไห้ทุกวี่ทุกวันนะ่มันโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละจะทํายังไงมันโลกอันนี้เป็นเป็นอย่างนี้ เป็นธรรมชาติอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อเรารู้ธรรมชาติอย่างนี้เราหนีออกธรรมชาติอย่างนี้จะทํำยัำยงไงต้องศึกษาแนวแถวของพระพุทธเจ้าแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านให้แนวทางไว้แล้วศึกษาและปฏิบัติตามนะพวกเราจะไปได้ตามแนวแถวนั้นนะอ่ตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร